พระธรรมเทศนาแผ่นที่เก้าสิบลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่19ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่างานจะดีสามคัคคีต้องมาก่อน อาลูกหลานอยู่ในความสงบห้ามใช้เสียงลำโพงปิดไว้ก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดคนเดียวพวกเราเงียบซะก่อนฟังวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดตั้งแต่วันที่สิบห้า หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วแล้วได้ลงไปกรุงเทพไปทำธุระวันที่16ฉันในมตลูกศิษย์ของหลวงพ่อสดนี่มนฉันที่กรุงเทพแถบสีลมโรงแรมเล็กๆแล้วก็วันที่17เจหลวงพ่อฉันที่สวนแสงธรรมพี่น้องประชาชนจัดทาญาโยมล้นหลามมาก อาหารก็มากแล้วก็วันที่ตอนเย็นวันที่สิบเจ็ดหลวงพ่อนัดไหว้พระสวดมนต์ที่สวนแสงธรรมก็พี่น้องประชาชนก็ให้ความสมใจมากอยู่แล้วก็วันที่สิบแปดหลวงพ่อฉันที่จิตโภชนาปากรของคุณหลวงอันนี้ก็พี่น้องประชาชนล้นหลาม คนมากนะและพอฉันจังหะนันเสร็จแล้วก็ลุงพ่อเคยขึ้นเครื่องกับเมื่อวานนี้พอมาถึงวัดของเราก็มีการประชุมหารือเกี่ยวกับงานกรถิ่นของพวกเราได้เอาผู้เจ้าของเรื่องที่ท่านประสานมาชี้แจงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังก็รู้สึกว่า ได้รับทราบรับรู้แนวทางปฏิบัติชัดเจนพอสมควรเมื่อวานแต่ถึงยังไงก็ตามฮะในเมื่อเราได้รับรู้รับทราบพระครอยู่ในสถานะหน้าที่ไหนใครช่วยๆกันดําเนินการไปแต่นเนิน่นๆไม่ใช่ว่าถึงวันนั้นเรายังมาพูดคุยกันแต่เมื่อเรารับรู้แล้วเรื่องอะไรเรื่องติดตามคู่คน ผู้มาที่เกี่ยวข้องกันจะให้พวกเราประสานติดต่อกันเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ก่อนที่จะเลือกประชุมกันก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วก็ต่างฝ่ายพระทำหน้าที่อย่างไงโยมวัดหน้าที่อย่างไงผู้เกี่ยวข้องส่วนราชการมีหน้าที่อย่างไรเขาก็ชี้แจงให้ฟังเมื่อวานชัดเจนในระดับหนึ่ง แล้วก็วันที่ยี่สิบสองอย่าลืมอันนี้ประชุมกันในกลุ่มวัดของพวกเราคณะจิ์ญาณุสิ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะรับรู้รับทราบการวางแผนงานเป็นเบื้องต้นเราจะวางแผนกันยังไงวางกันยังไงแล้วก็วันที่ยี่สิบหกทางราชเะเลขาทางจังหวัดจะเข้ามาประชมุม อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่แหละทีนี้การวางแผนการรักษากความสงบเรียบร้อยของงานตุกย่างะคงจะจบวันที่ยี่สิบหกจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างลงมือปฏิบัติทําหน้าที่ของใครของเราละทีนี้แต่ทิ้งยังไงเรื่องของท่านก็คือเรื่องของท่านเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่หลว ง, งพ่อเองอยากจะเน้นหนักเน้นหนักย้ํา พู้ที่เกี่ยวข้องคือสิทธิ์ญานุสิทธิ์ของวัดป่านาคําน้อยของเราเนี่แหละผู้เป็นเจ้าของบ้านอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าของบ้านคนเดียวไม่ใช่นะพวกคณะสิทธิ์ทั้งหลายพระเนนทั้งหลายผู้ที่นั่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยแหะเป็นเจ้าของของวัดช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันจัด ถ้าหากว่ามีอันไหนที่ขาดตกบกพร่องที่เป็นอยู่ข้างนอกก็ให้บอกหลวงพ่อมาหลวงพ่อจะได้จัดการหรือว่าอนุมัติในเรื่องนั้นๆเพราะว่าส่วนอื่นเราก็ช่วยสงเคราะห์โลกต่อโลกมานมากต่อมากนานต่อ น, นานหลายต่อหลายแต่มาถึงจุดนี้เราจะให้ขาดตกบกพร่องไม่น่าจะถูกต้อง เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะใครดูหน้าที่อันไหนก็ให้ดูตรวจตราการของอะไรทุกอย่างนะั่นแหะมันขาดที่ตรงไหนอย่างไรให้ปรึกษากันจากนั้นก็ให้เสนอขึ้นมามาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะัเป็นไปไม่ได้เพราะสุ้เจ้าอยู่หน้างานคนจูอยู่หน้างานจะต้องรู้ว่างานของเราเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าไม่ใช่ เว้นเสียแต่อยู่หน้า ง, งานก็อยู่แบบเสื่อๆอยู่ไม่คิดไม่อ่านอันนั้นใช้ไม่ได้นะถ้าอยู่หน้า ง, งานก็ต้องใช้แนวความคิดงานของเราจะเดินไปอย่างไงแล้วก็ประชุมหารือกันแล้วบอกกล่าวกันแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเน้นย้าว่าความพร้อมเพียงสมัคีนี่ะเป็นหัวใจของงานพูดอย่างนั้นได้ ถ้าจะเป็นผู้ใดก็ตามใครก็ตามที่เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อนออกนอกลูกนอกทางพพดไม่เข้าหูใครมีแต่ยุแยงกระแทงให้แตกสา ม, มกีกันบอกมาคอาบอกมาบอกหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อจะเรียกมากล่าวตักเตือนซะก่อนเป็นอันดับแรกนะแต่ถ้าว่ายังยังมีพฤติกรรมอยู่นั่นหละ หลวงพ่อจะขีดเหมือนกับช็อกกันมดแหละนะให้อยู่ในวงอย่าเข้ามาใกล้อถ้าเข้ามาใกล้ไม่เป็นผลดีเสียหายหลวงพ่อจะบอกทันทีเลยเพราะหลวงพ่อต้องการความพร้อมเพียงสมวิชีในคณะสิทธิานุสิทธิในคณะญาติทั้งหลายเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่เข้ามา สู่วัดวาศาสนาเรามาดําเนินงานในคราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อพูดได้เลยว่าต้องการความพร้อมเพียงสามคัคคีของศิษยานุศิษย์ของญาติธรรมทั้งหลายให้มองไปข้างหน้าอันไหนที่จะเป็นเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มของเราต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละพระพุทธศาสนาจะยั่งยืน ยืนยงอยู่ได้ก็เพราะพวกเราที่ช่วยกันมีความพร้อมเพียงสมัครคีกันไปในทางที่ถูกต้องไม่ใช่พร้อมเพียงสมัครคีกันไปในทางที่เลวไปในทางที่ชั่วไม่ใช่การพร้อมเพียงสมัครคีกันก็มีสองเหมือนกันนะไปทางดีแล้วไปทางทางเลวแต่นี้หลวงพ่อเน้นหนักไปในทางดีนะ พร้อมเพียงสมรคีกันในสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีอันไหนดีรู้ไหมดีพวกเราได้มาเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาถึงขนาดนี้แล้วดีหรือชั่วรู้ไหมเราก็ต้องตรวจตราดูเพราะนั้นสิ่งที่มันดีนะั่นแหละหลวงพอ่อยาจะให้ทำจุดนั้นคิดดีทำดีพูดดีในเรื่องจุดนั้นให้เป็นคนดี ให้รู้สถานะของตนเองว่าเราอยู่ในสถานะไหนจะเป็นที่หนักใจหรือขัดข้องคนอื่นเข้าไม้สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราตรวจตรานะจากนั้นกลงมือดำเนินการในการประพฤติธปฏิบัติไปนในทางที่ถูกต้องถ้าว่าเราได้คิดได้ใช้ปัจิติใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบแล้วหลวงพ่อมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะงานหนักขนาดไหนก็ต้องเบาได้ ค่อยหลยเพราะเราเคียงบากเคียงไหลกันในเรื่องใช้ความคิดใช้สติปัญญาทุกอย่างนั่นะออันไหนควรจะแก้ไขปรับปรุงยังไงทำยังไงงานเรื่องนี้ชิ้นนี้จะสำเร็จรู้หวงไปได้เพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะวันที่2 2จะมีการ หาหรือกันอีกต้องฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันต้องหาข้อมูลไว้เพราะว่าที่จะจอดรถยังไงจะทำความสะอาดอย่างไรเสร้นทางตั้งตรงไหนอย่างไรทางนั้นทงพี่น้องจัทททยญาติโยงด้วยกันคิดคิดหาข้อมูลไว้เมื่อวันที่ย2ผ่านมาปานที่จะมาถึงพวกเราก็จะต้องหาหรือกันอีกในกลุ่ม จากนั้นก็วางแผนพอวางแผนเป็นข้อข้อได้แล้วกันวันที่ยี่สิบหเราก็จะได้ชี้แจงกับชุมชนกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาก็ะชัรับรู้รับทราบจุดไหนที่เรายังด้อยยังอ่อนทางยังขาดตกบกพ่องอยู่แล้วก็ควรจะปฏิบัติอย่างไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็พร้อมการก็ให้ดูตรงไหนที่วัดของเราที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ช่วยกันดูอีกเหมือนกันทางในครัวองเหมือนกันอันไหนที่ของใช้ของที่จะต้องนำมาใช้แต่ใช้แล้วไม่ใช่ใช้ทิ้งทิ้งคว้างคว่างนะใช้ต้องให้ตรวจตราดูเอาออกมาเท่าไหร่เก็บไว้เท่าไหร่ยังเหลือเท่าไหร่ของใช้ของเราไม่ใช่ว่าขนออกมาแบบโง่โง่ขนออกมาอิลุยชุยแจกทิ้งทิ้งคว่างๆวา ผมเลยถูดพอเสร็จแล้วก็ไม่รู้จักเก็บอันนั้นแปลว่าใช้แบบโง่ใช้แบบเป่งไดมาแล้วก็เจือนกระจายไปเรื่อยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะสิ่งเหล่านี้นะลุงพ่อต้องถึงยังไงก็ตามลุงพ่อต้องให้รอบครอบการที่จะหยิบจะใช้อะไรออกมาในวัดของเรามันมีนะเพอเพอเถิดเโดยมากพระขนของออกมาใช้ใช้ออกมาไม่รู้เครื่องมือดีไม่ดีไม่รู้เพราะตัวเองไม่เคยซื้อ พึ่งจะเคยซื้อก็ไม่ใช่เงินของขา้าเป็นเงินของของวัดเป็นเงินของสั่งอนุมัติจากหลวงพ่อพอใช้ออกมาแล้วก็ทิ้งทิ้ ง, งขว่างควางเสียหายจนนับไม่ถ้วนนี่แหละสรุปแล้วก็คือคนในวัดของเราไร้คุณภาพพระในวัดของเราไร้ความรับผิดชอบไร้คุณภาพเไม่อย่างอย่างอื่นนะหลวงพ่อมองจุดนั้นนะนี้ก็เหมือนกันพวกเราทุกๆกท่าน จะเอาสิ่งของอะไรออกมาใช้ก็ตามต้องดูนะลองดอูอันไหนเป็นอันไหนอันไหนควรไม่ควรอย่างไรพอหลวงพ่อเคยหลวงพ่อสดยังจมพุ่มพุ่ม พ, มพมอมพอมอยจัดงานขึ้นมาแล้วกันถ้วยสมัยนั้นถ้วยชามสเตนเลสมีวัดชื่อวัดป่าบ้านเพิ่มมีต่างหาเขาทำมาถ้วยเป็นหลายร้อยหลายร้อยเป็นร้อยร้อ ย, อยพันพันะถ้วยสเตนเลสจานสเตนเลส เออขนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์พอใช้เสร็จแล้วนะพวกก็ไม่ใช่ขนอื่นนะส่วนลวดส่วนราชการนะเออสัพพคอนนะ์ที่มาข่าวนะนะั้นขนขึ้นรถไปเฉยเลยเออหลวงพ่อโสดมดไม่รู้จะพูดยังไงก็ทั้งทีลูรู้อยู่เนี่ยแหละหลวงพ่อว่าถึงใครจะเอาไปก็ไปเถอะเออความจิบหายมันก็อยู่กับคนคนนั้นแหละ ที่คนออกไปเห็นไห ม, มนะเขาเขียนไว้ที่ก้นถ้วยก้นชามเขาเขียนไว้นะวัดป่านาคํำน้อยสมบัติของวัดป่านาคํำน้อยเขาเขียนไว้ถ้าไม่ถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นหรอกตัวจะเต็นเลสเขาปั๊มมาจากโรงงานเขาเลยของวัดป่านาคํำน้อยถ้าใครเอาก็ไปใช้ เอาไปตักใส่ในบ้านพระตัวเองพ่อแม่ขโมยเอาไปขโมยสิ่งของเอาไปเอาไปก็ไปตักให้ลูกให้หลานกินลูกหลานนี่เป็นขโมยไปหมดเพราะอะไรเพราะมันกินเอของห ล, ล, ลงรับมาจากขโมยกินทุกวันทุกวันใช่ไหมใส่ตักข้าวใส่จานใส่ถ้วยใบนั้นแหะกินกันพอ ก, นกินกันขึ้นไปก็ของขโมยใช่ไหมของขโมยมาจากวัดการรู้อยู่แล้วพ่อแม่ขโมยมาก็มาก็ม า, มาก็มาใช้ พองขึ้นมาเลยเอลูกหลานขึ้นมากับเป็นขโมยไปหมดเลยท่านีลยนะพวกเราจะพวกเราท่านทั้งหลายจะแปลกใจทีนี้เอ๊ะทาไมลูกของเราเนี่มาขาโมยเงินของเราวะเออตามไม่จริงมันน่าจะขอซะก่อนเน็ตนิดหน่นนอยห น, นมันเริ่มเป็นขโมยแล้วนะนี่นะเนี่ยพรา อ, อะหรเพราะพ่อแม่เอาของขโมยของมาให้ลูกกินนะ าลูกเอามาให้ลูกใช้ลูกกินลูกก็เลยเป็นขโมยทั้งบ้านทั้งเมือง่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอ ป, ปมงคลทั้งหมดสิ่งไหนก็ตามเราต้องคิดเหมือนกันอย่าไปเอาของที่มันไม่ดีมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของตนเองถ้าเอาของที่มันไม่ดีมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานของเราจะเป็นขโมยะจะเป็นคนชั่วไปได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะพ่ อ, พอแม่คิดในทางที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้นะหลวงพ่อคิดมากนะ สิ่งใดก็ตามที่หลวงพ่อนํามาให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาสอนลูกศิษย์ลูกหาเอามาใช้ให้ลูกศิษย์ลูกหาสิ่งนั้นหลวงพ่อจะต้องกันกรองไตรตรองด้วยความบริสุทธิ์ให้เป็นธรรมสําหรับเลี้ยงลูกของหลวงพ่อก็แต่สั่งสอนอีกต่างหากอย่านะอยาธรรมนนสิ่งที่มันไม่ดีนะเพราะสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่สมบัติของเรานะ คนที่เขามาถวายเราเราเขาเคิดไหมเราเห็นไหมถ้าเราไม่หลับตาเราต้องเห็นเราต้องเห็นเราถ้าเราไม่หลับตาเวลาเขาจะทำบุญทำทานก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกปราถนาแล้วปราถนาอีกในไทยธรรมของเขาจากนั้นเขายังค่อยมาทำบุญในเมื่อมาทำบุญกับพระสงฆ์พวกเราจะใช้อย่างไงใช้แบบไม่คิดไม่อ่านยังอย่างนั้นใช่ไหมใช้แบบเอ้ชูเจ้ามันโง่เออ เรามาให้ค่าค่าในฉลาดกว่าคิดได้เพียงแค่นั้นเหรอเขาตั้งจิตอธิษฐานขนาดไหนที่เขาทำบุญกับเราเขาปรารถนาอะไรนั่นแหละผลที่สุดผลกรรมตัวนั้นหละกรรมตัวนั้นจะตามสนองอกรรมตัวนั้นจะตามสนองเราเราจะได้รับผลต่อไปภายภาคหน้าอย่าบ่นที่นี่ในเมื่อกรรมตัวนั้นให้ผล แต่ตนไม่ใหม่ไม่รู้หรอกแต่ต่อไปภายภาคไหนะกรรมบาปกรรมอะไรของข้าหนาเนีย่ยข้าจึงทาอย่างนี้นะเพราะว่าการกระทำของเราเนี่ยให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่ละก้าวนี่แหละคิดดีทำดีพูดดีคิดก็คิดให้ดีทำกระทำให้ดีพูดพูดดีนั่นแหละ ไปทีละเก้าต่อเก้าการกระทําในปัจจุบันนั่นแหละจะเป็นเครื่องบ่งบอกในอนาคตเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ในหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อย้ําแล้วพูดอีกว่าตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงคนที่ทําความชั่วไปถามดู หลวงพ่อบอกให้ไปถามดูคนในคุกในตารางเมืองอุดอรที่เขาไปขังไว้เนี่เอขาขังใครเขาขังคนชั่วคนที่ไม่มีศีลห้าคนที่ไม่มีศีลห้าทั้งหมดนะถูกขังไว้ใ น, ในคุกนะนะเพราะอะไรเพราะทําผิดศีลห้านะถ้าคนที่มีศีลห้าแล้วไม่ไม่อยู่ในคุกไม่อยู่ในตารางหรอกเพราะเหตุไรเพราะไม่ทําความชั่วนะคนคุกเนะี่ยเขาสําหรับขังคนชั่วเท่านะั้นะ่ะเขาไม่ขังคนดีนะ เพราะนั้นเรานะ่ดีด้วยชั่วต้องมองดูตนเองถ้าข้าเป็นคนดีอยู่แล้วเขาจะมาขังเราได้ยังไงถ้าว่าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละระวังให้ดีถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีเหอเราจะเขามาจะมาขังเราได้ยังไงทุกวันใ้เห็นไหมคิดเพียงแต่คิดไม่เป็นไรแต่พูดออกไปนะีไม่ได้เนผะิด ถ้าทำออกไปผิดผิดกฎหมายแต่คิดเฉยๆนี่ ย, ยังไม่ผิดหรอกม่อยู่ในใจแต่ว่าในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะนี่ผิดแล้วนะการคิดนี่ผิดแล้วเป็นมวลทินส่วนหนึ่งละ่ะการคิดในใจมโนกรรมการคิดการคิดประมาทคนอื่นการคิดที่จะทำความชัว่วในหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาตําหนิแล้ว ตําหนกและการคิดเนี่ยเพราะฉนั้นต้องการคิดก็ต้องระวังกันมันโนกรรมอย่าไปคิดในทางที่ชั่วเน่ยเมื่อคิดชั่วแล้วการกระทําออกไปมันก็ชั่วเพราะคิดออกซะก่อนยล้ค่อยทําแล้วเวลาพูดออกไปก็มันก็ชั่วอีกเพราะคิดชั่วแล้วการทําออกไปก็ชั่วการพูดออกไปมันก็ชั่วเพราะมันคิดชั่วเนะพราะนั้นท่านจึงมองให้มองดูใจเป็นใหญ่ใจเป็นหลัก สิ่งไหนก็ตามอย่าทำอย่าคิดที่สิ่งที่มันไม่ดีคิดสร้างสรรค์คิดอันไหนที่เป็นกุศลอันไหนที่เป็นบุญให้คิดอย่างนั้นนี่แหละแต่มันก็ยากนะถึงจะยากก็ตามเราต้องมีหลักเหตุผลในใจของเราถ้าคนทำดีคนดีอยู่แล้วนะถ้าคนมีคนมีความดีอยู่ในจิตใจแล้ว หนึ่งก็ดี2องก็ดีสามก็ดีดีอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่ดีอยู่แล้วก็จะเจริญมากขึ้นถ้ามีชั่วอยู่ในจิตใจอยู่แล้วหนึ่งก็ดี2องก็ดีสมก็ดีชั่วอยู่ในใจของเราชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียตั้งแต่ทีแรกนี่ก็เหมือนกันนั่นแะ ให้พวกเราตัวจตาไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราชั่วกับดีอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นพวกเราได้เข้ามาศึกษาในหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะก็ขอให้พวกเราทุกท่านเป็นคนดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวคนดีไปอยู่นสถานที่ในดีหมดนั่นะหลอถ้าคนชั่วนะจะไปอยู่ได้ยังไง อ, นะ อ, อยู่ในคุก่เออมันไม่อิสระอยู่ในคุกเพราะคนชั่ว คุกเนี่ยคุกสำหรับขังคนชั่วคนที่ไม่มีศีลห้าถ้าคนผิดศีลนั่นแหละเขาขังไว้ในคุกนะเพราะนั้นให้พวกเราสิ่งที่มันไม่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มั น, มนที่ที่มันไม่ถูกต้องนะนี่นแหละอันนี้เขาขอฝากไว้กับพวกเราคณะจต่ายญาติโยมพระเด่นทุกองนะงานของเราในงานข่าวนี้เป็นงานที่ หนักพอสมควรนะถ้าว่ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันละเบาไม่มีปัญหาถ้าว่าไม่ลงรอยแล้วว่าไม่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเมื่ อ, อไรก็เมื่อนั้นะหละหนักหนาสาหัสทีเดียวแต่ให้บอกมาหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นถ้าว่าทุกคน เคียงบาเคียงลหลและการทำหน้าที่ของใครของเราให้ดีที่สุดนนหละหลวงพ่อว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่นักหนาความพร้อมเพียงของสงเกิดสุขความความพร้อมเพียงสมัคคีกันในหมู่ญาติเกิดสุขความพร้อมเพียงในหมู่คณะของพวกเราเกิดสุขถ้าหากความความแตกแยกสมัคคีในกลุ่มของเราน่ะเกิดทุกข์น่ะ เตรงตรงข้ามกันนะเอถ้าว่าพวกเราไม่พร้อมเพียงสมัคคีกันนะ่ะ<ม>เกิดทุกเออไม่ว่าตะระส่วนอื่นนะในร่างกายของเราเนะี่ยร่างกายของเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอวัยวะอาการสามสิบสองในร่างกายมีตับมีปอดเออมีนิ้วไม้นิ้วมืออะไรทุกอย่างนะส่วนใดส่วนหนึ่งแตกสมัคคีกันทนะาย ร่างกายอย่าหวังเลยจะมีความสุขเพียงแตกตาแตกส ม, มักขีท่านหน่ปวดตาเท่านั้นะหล อ, อส่วนอื่นเน่ยเป๋ไปหมดปวดหูเนี่ยเสียไปหมดปวดฟันเนี่ยเสียไปหมดพวกเราคงจะเคยปวดน้ปวดฟันมันขนาดไหนฮเ อ, อปวดท้องเนี่ยเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือในร่างกายของเราเนี่ยทั้งที่ตากับหูทั้งจมูกเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรถ้าไปปวดท้องแห่งเดียวมันทํำไมจึงทุกข์เนี่ยเพราะอะไรมันก็เทือนกันทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันเอ่อบรรดาศิษย์พวกเราอยู่ด้วยกันน่ยถึงจะมากน้อยอยู่ในกลุ่มใดก็ตามถ้าคนหนึ่งทําความชั่วทําไม่ดีคิดไม่ดีอลาวาตมู่นแหละมันก็เทือนทั้งวัดเนี่ยแหละหลวงพ่อบอกวา่ารู้มารู้ให้บอกมาเอีเราจะจัดการจุดนั้นควรจะผ่าตัดจุดนั้นออก อย่างน้ําเนี่ยมันตำเท้าของเราเราก็ต้องเอาน้ําออกอถ้าเป็นมะเร็งเราต้องควานมะเร็งจุดนั้นออกฮะนี่แหละอันนี้แหะคือความผาสุก ข, ของหมู่คณะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอไม่ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทําไม่ดีแล้วมันไม่กระเทือนไม่ได้นะมันกระเทือนเพราะฉะนั้นให้ดูพวกเราให้ดูตนเองทุกคนให้ดูตนเองมองตนเองให้เป็นคนดีพระดีอย่าให้มีปัญหากับ กลุ่มกับหมู่กับคณะกับวัดวาศาสนาในการบริหารการอยู่ด้วยกันต้องการความพร้อมเพียงสมครคีถ้าร่างกายของเราทุกส่วนมีความพร้อมเพียงสมครคีกันแล้วนะเดินเหินไปที่ไหนอยู่นสถานที่ใดเราก็มีความสุขไม่ใช่หร อ, อถ้ามันปวดตาปวดแข้งปวดขาปวดทีนุกตรงไหนก็เถอะนะมันตัวนั้นแปลว่ามันแตกสมครคีแหละ เ, เริ่ม ปะท้วงเรื่อง anti แอนตีละเรื่องไม่เรื่องเรื่องไม่เข้าหมูล่ะแล้ ว, ลวเราเป็นยังไงทีนี่คนคนนั้นในร่างกายร่างนั้นก็วิ่งเขาไปหาหมอเล ย, เยไปตรวจไปตาดูไม่รู้เท่าไหร่ต่าเท่าไหร่เสียเงินเสียทองเสียอะไรตัวไม่อะไรเพื่อรักษาความพร้อมเพียงสมัครีของร่างกายของเรามันไม่ใช่ธรรมดานะความพร้อมเพียงสมัครีนะคณะสถาญาติโยมลูกหลาน หลวงพ่อจะบรรยายไปหลวงพ่อจะไม่ได้ฉันอาหารในวันนี้ความพร้อมเพียงสมัคคีนี่นะตอนนี้มีรับพอร์ตในทีนี้นะ